สิบพิคุณียขันตกะหนึ่งประถมภานาระหนึ่งมหาประชาปฏิโคตมีวัตถุ ว่าด้วยเรื่องพระนางมหาปชาบดีโคตมีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณ น, นิโครธารามกรุงกระบิลพัฒน์แคว้นสักกะครั้งนั้นพระนางมหาปชาบดีโคตมีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวาย sliding, อภิวาท พ, พ, พระผู้มีพระภาคแล้วยืนอยู่หน้าที่สมควรพระนางมหาปชาบดีโคตมีผู้ยืนอยู่หน้าที่สมควร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าขอประทานวโรกาลมาตุคามพึงได้ออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตในพระธรรมวินยัยที่พระต ถ, ถาคตประกาศไว้พระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตระทาำว่าย่าเลยโคตมีเธออย่าชอบใจการที่มาตุคามได้ออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตในธรรมวินยัยที่ต ถ, ถาคตประกาศไว้เลยแม้ครั้งที่สอง แม้ครั้งที่สพระนางมหาประชาบดีโคตมีกราบทูลว่าขอประทานวโรกาสมาตุคามพึ่งได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตรประกาศไว้พระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสท่ามว่าอย่าเลยโคตมีเธออย่าชอบใจการที่มาตุคามได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่พระตถาคตรประกาศไว้เลย ลำดับนั้นพระนางมหาประชาบดีโคตมีทรงดำริว่าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงอนุ ญ, ญาตให้มาตุความออกจากเรือนบทเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศไว้ทรงเป็นทุกเสียพระไทยน้ำพระเนตรนองพระพักกันแสงอยู่พลางถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทรงทำประทักษิณแล้วเสด็จกลับไป ครั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในกรุงกบิลพัทตามพระอธิยศัยแล้วเสด็จจาริกไปจากกรุงเวสาลีเสด็จจาริกไปโดยลําดับจนถึงกรุงเวสาลีทราบว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปูตาค า, ารสาลาป่ามหาวันในกรุงเวสาลีนั้นคราวนั้นพระนางมหาปชาบดีโคตมีปรงพระเกรสาทรงนุ่งข่มผ้ากาสายะ พร้อมด้วยนางสาวกิยานีจนํานวนมากเสด็จไปทางกรุงเวสาลีเสด็จเข้าไปยังกูตาคารสาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีโดยลําดับเวลานั้นพระนางมหาประชาบดีโคตมีพระบาทระบมพระวรกายประปื้นฝุ่นทุลีเป็นทุกข์เสียพระไทยน้ําพระเนตรนองพระพักประทับยืนกันแสงอยู่ที่ซุ้มประตูชั้นนอก ท่าพระอานน์เทมพระนางมหาปชาบดีโคตมีมีพระบาทระบมพระวรกายเปะปื้อนฝุ่นทุลีเป็นทุกข์เสียพระไทยน้ำพระเนตรนองพระพักประทับยืนกันแสงอยู่ที่ซุ้มประตูชั้นนอกจึงถามดังนี้ว่าโคตมีเพราะเหตุไใดพระองค์จึงมีพระบาทระบมพระวรกายเปะปื้อนฝุ่นทุลีเป็นทุกข์เสียพระไทยน้ำพระเนตรนองพระพัก ประทับยืนกันแสงอยู่ที่ซุ้มประตูชั้นนอกพระนาวตรัสตอบว่าท่านอานน์พระผู้มีพระภาคไม่ทรงอนุญาตให้มาตุกคามออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศไว้ท่านพระอาน น, น์กล่าวว่าโคตมีถ้าเช่นนั้นขอพระองค์จงรออยู่ที่นี่สักครู่จนกว่าอาตมาจะทวงขอพระผู้มีพระภาค ให้มาตุกคามได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศไว้ครั้งนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่พระทับครั้นถึงแล้วได้ถวายอภิวาพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรท่านพระอานนท์ผู้นั่งอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าพระนางมหาปชาปีโคตมี มีพระบาทระบมพระวรกายปรเปื้อนฝุ่นทุลีเป็นทุกข์เสียพระไทยน้ำพระเนตรนองพระพักพระทับยืนกันแสงอยู่ที่ซุ้มประตูชั้นนอกด้วยคิดว่าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงอนุญาตให้มาตุคามออกบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระธถาคตทรงประกาศไว้ขอประทานวโรกาสขอมาตุคามพึงได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ในพระธรรมวินัยที่พระทตถาคุทรงประกาศไว้ด้วยเธอพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสท่ามว่าอย่าเลยอานนนเธออย่าชอบใจการที่มาทุคามออกจากเรือนบวชเป็นบรรปชิตในธรรมวินัยที่ทัตถาคตรประกาศไว้เลยแม้ครั้งที่สองท่านพระอานนนก็เรีกราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าขอประทานวโรกาส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 ในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศไว้จะสามารถทำให้แจ้งโสดาปฏิผลสกิทาคามิผลอนาคามิผลหรืออาราตผลได้หรือไม่พระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานนท์มาตุความออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตทรงประกาศไว้สามารถทำให้แจ้งโสดาปฏิผลสกิทาคามิผลอนาคามิผล หรืออารหัตผลได้ท่านพระอนนท์กราบทูลว่าถ้ามาตุกขามออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศไว้สามารถทําให้แจ้งโสดาปติผลสกิทาคามิผลอนาคามิผลหรืออารหัตผลได้พระนางมหาปชาบดีโคตมีผู้เป็นพระมาตุจฉาของพระผู้มีพระภาคทรงมีอุปการะมาก เคยประคับประคองดูแลถวายกษีรทานน้ำนมเมื่อพระชนอนีสวรรคตได้ให้พระผู้มีพระภาคดื่มกษิีรทานขอประทานวโรกาสขอมาตุคามพึงได้ออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตรประกาศไว้แล้วด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้า สองอัฏฐะรุธรรมะว่าด้วยครุธรรม8ข้อพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานน o ์ถ้าพระนางมหาปชาบดีโคตมีรับครุธรรม8ข้อการรับครุธรรมนั้นแหละจงเป็นการอุปสมบทของพระนางมหาปชาบดีโคตมีนั้นคือ 1. ภิกษุณีถึงจะโบสถได้ร้อยพันสาก็ต้องทําการกราบไหว้ต้อนรับ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 ห้ามภิกษุณีสั่งสอนภิกษุแต่ไม่ห้ามภิกษุสั่งสอนภิกษุณีทำข้อนี้ภิกษุณีพึงสักการะเคารพนับถือบูชาไม่พึงล่วงเลอเมิดจนตลอดชีวิตอานอนท์ถ้าพระนางมหาปชาบดีโคตมีรับครุธรรม8ดข้อนี้การรับครุธรรมนั่นแหละจงเป็นการอุปสมบทของพระนางมหาปชาบดีโคตมีนั้นลำดับนั้น ท่าพระอานนท์เรียนครุธรรมแปดจากพระผู้มีพระภาคแล้วก็ไปหาพระนางมหาปชาบดีโคตมีถึงที่พักครั้นถึงแล้วเรียกล่าวกับพระนางมหาปชาบดีโคตมีดังนี้ว่าโคตมีถ้าพระนางรับครุธรรม8การรับครุธรรมนั้นแหละจะเป็นการอุปสมบทของพระนางคือ 1. ภิกษุณีถึงจะโบสถได้ร้อยพรนสาก็ต้องทําการกราบไหว้ต้อนรับ ทำอัญชิีกรรมทำสามีจิกรรมแก่ภิกษุผู้บวชแม้ในวันนั้นทำข้อนี้ภิกษุณีพึงสัการะเคารพนับถือบูชาไม่พึงล่วงละเมิดจนตลอดชีวิตสองภิกษุณีไม่พึงอยู่จาพรรษาในอาวาสที่ไม่มีภิกษุทั้งหลายทำข้อนี้ภิกษุณีพึงสัการะเคารพนับถือบูชาไม่พึงล่วงละเมิดจนตลอดชีวิต 3.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 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปห้ามภิกษุณีสั่งสอนภิกษุแต่ไม่ห้ามภิกษุสั่งสอนภิกษุณีทมข้อนี้ภิกษุณีพึงสักการะเคารพนับถือบูชาไม่พึงล่วงละเมิดจนตลอดชีวิตโคตมีถ้าพระองค์รับครุธรรมแปดนี้การรับครุธรรมนั้นแหละจะเป็นการอุปสมบทของพระองค์พระนางมหาปชาบดีโคตมีกล่าวว่าท่านอาน o น์ ดิฉันยอมรับครุธรรมแปข้อนี้ปฏิบัติไม่ละเมิดไปจนตลอดชีวิตทีเดียวเปรียบเหมือนหญิงสาวหรือชายหนุ่มผู้ชอบแต่งกายเมื่อสงน้ำดำกล้าวแล้วได้พวงอุบลพวงมลิหรือพวงลำดวนก็ใช้มือทั้งสองประคองรับไว้เหนือศีรษะฉะนั้นต่อมาท่านพระอาห น, น์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคณที่ประทับครันแล้วถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควร เด็กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระนางมหาประชาบดีโคตมียอมรับคุรุธรรมแปดข้อแล้วพระมาตุฉาของพระองค์อุปสมบทแล้วพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท้ามาตุคามจะไม่ออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตในธรรมวินัยที่ทศาคณประกาศไว้แล้วพรหมจันทร์จะดํารงอยู่ได้นานสัตทธรรมจะดํารงอยู่ถึงพันปี แต่เพราะมาตุคามออกจากเรือนโบวชเป็นบนรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตรประกาศไว้แล้วบัดนี้พระมจันทร์จะดำรงอยู่ได้ไม่นานสัตธรรมจะตั้งอยู่ได้เพียงห้าร้อยปีเท่านั้นอานนท์ธรรมวินัยที่มีมาตุคามออกจากเรือนโบวชเป็นบนรรพชิตจะไม่ตั้งอยู่ได้นานเปรียบเหมือนตระกูลหนึ่งที่มีสตรีมากมีบุรุษน้อยจะถูกโจรปล้นทรัพย์ทำร้ายได้ง่าย อานนธรรมวินัยที่มีมาตกความออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจะไม่ตั้งอยู่ได้นานเหมือนนอนขโยกที่ลงในนาข้าวสาลีซึ่งอุดมสมบูรณ์ก็ทําให้นาข้าวนั้นไม่ตั้งอยู่ได้นานอาโนนธรรมวินัยที่มีมาตกความออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจะไม่ตั้งอยู่ได้นานเหมือนเพลี้ยที่ลงในไร่อ้อยที่อุดมสมบูรณ์ก็ทําให้ไร่อ้อยนั้นไม่ตั้งอยู่ได้นาน อานนนเราบัญญัติครุธรรมแปดแกพิสุนีทั้งหลายซึ่งพิสุนีทั้งหลายไม่พึงละเมิดไปจนตลอดชีวิตก็เหมือนคนกั้นทำนบที่สะใหญ่เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าออกไปฉะนั้นอัทะครุธรรมะจบ ที่คูนีอุปสำปทานุชาณะว่าด้วยการอนุญาตให้อุปสมบทภิกษุณีครั้งนั้นพระนางมหาปชาบดีโคตมีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วถวายอภิวาทได้ยืนอยู่หน้าที่สมควรพระนางมหาปชาบดีโคตมีผู้ยืนอยู่หน้าที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า มอมฉันจะปฏิบัติอย่างไรกับนางสาคิยาณีพวกนี้พระพุทธเจ้าค่าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้พระนางมหาปชาบดีโคตมีเห็นชัดชวนให้อยากรับไปปฏิบัติเราจให้อาถานแกล้วกล้ า, ลาปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมเียรกถาลำดับนั้นพระนางมหาปชาบดีโคตมีผู้ซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นชัด ชวนให้อยากรับไปปฏิบัติเราใจให้อาถานแกล้วกลาปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกรถาได้ถวายอภิวาพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วเสด็จกลับครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงสแสดงธรรมีกรถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลา ย, า อ, าลายอุปสมบทภิกษุณีทั้งหลายต่อมา ภิกษุนีเหล่านั้นกล่าวกับพระนางมหาปชาบดีโคตมีดังนี้ว่าแม่เจ้ายังไม่ได้อุปสมบทแต่พวกดิฉันอุปสมบทแล้วเพราะพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่าภิกษุทั้งหลายพึงให้อุปสมบทภิกษุณีทั้งหลายครั้งนั้นพระนางมหาปชาบดีโคตมีเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่พักครั้นแล้วอภิวาทได้ยืนอยู่หน้าที่สมควร กลาเรียนท่านพระอนนท์ดังนี้ว่าท่านอานน์ภิกษุณีเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้ายังไม่ได้อุปสมบทแต่พวกดิฉันอุปสมบทแล้วเพราะพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเพิ่งให้อุปสมบทภิกษุณีทั้งหลายลำดับนั้นท่านพระอนน์จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคณที่ประทับครั้นแล้วถวายอภิวาทน่งณที่สมควร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระผู้เเจ้าข่าพระนางมหาประชาบดีโคตมีได้ยกล่าวกับข้าพระองค์อย่างนี้ว่าท่านอานนนภิกษุณีทั้งหลายกล่าวกับดิฉันอย่างนี้ว่าแม่เจ้ายังไม่ได้อุปสมบทแต่พวกดิฉันอุปสมบทแล้วเพราะพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเพิ่งให้อุปสมบทภิษุณีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่า อาโ น, น์ในเวลาที่พระนางมหาปชาบดีโคตมีรับครุธรรมแปดก็ชื่อว่าได้อุปสมบทแล้วพระนางมหาปชาบดีโคตมีกราบทูลขอพรครั้งนั้นพระนางมหาปชาบดีโคตมีเข้าไปหาท่านพระอาโ น, น์ถึงที่พักครั้นแล้วอภิวาทได้ยืนอยู่หน้าที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระอานน์ดังนี้ว่าท่านอานน์ ดิฉันจะทูลขอพอรอย่างหนึ่งจากพระผู้มีพระภาคว่าขอประทานวโรกาสพระผู้มีพระภาคพึงอนุญาต ก, การกราบการลุกรับการไหว้สามีจิ ก, กรรมก่ภิกษุทั้งหลายและภิกษุณีทั้งหลายตามลำดับพรรษาเถิดพระพุทธเจ้าค่าครั้งนั้นท่านพระอาหนนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคณที่ประทับครั้นแล้วถวายอภิวาทนั่งณที่สมควร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข่าพระนางมหาประชาบดีโคตมีได้กล่าวกับข้าพระองค์อย่างนี้ว่าท่านอานอน์ดิฉันจะทูลขอพร อ, อย่างหนึ่งจากพระผู้มีพระภาคว่าขอประทามวโรกาสพระผู้มีพระภาคพึงอนุญาตการกราบการลุกครับการไหว้สามีจิ ก, กรรมไก่ภิกษุทั้งหลาย และภิกษุณีทั้งหลายตามลาดับพรรษาเถิดพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่ทะถาคตจะอนุญาตการกราบการลุกรับการไหวสามีจิกรรมไกามาตุคามอานนท์เพราะพวกเดรถีเหล่านี้ผู้กล่าวทำไว้ไม่ดีก็ยังไม่กราบไม่ลุกรับไม่ไหวไม่ทำสามีจิกรรมไกามาตุคาม ฉะนตะถาคตจะอนุญาต ก, การกราบการลุกรับการไหวสามีจิกรรมไก่มาตุคามเล่าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีคาถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงกราบไม่พึงลุกรับไม่พึงไหวไม่พึงทำสามีจิกรรมไก่มาตุคามรูปใดธรมต้องอาบัตทุกก พระนางมหาประชาปีโคตมีกราบทูลถามถึงสิกขาบ ท, ทาารรา ค, ทครั้งนั้นพระนางมหาประชาปีโคตมีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วได้ยืนอยู่ณที่สมควรพระนางมหาประชาปีโคตมีผู้ยืนอยู่ณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข่า พวกม่มฉันจะปฏิบัติในศึกขาบทของภิกษุณีทั้งหลายที่เป็นสาธารณบัญญัติกับภิกษุทั้งหลายอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโคตมีพวกเธอจงศึกษาศึกขาบทของภิกษุณีทั้งหลายที่เป็นสาธารณะบัญญัติกับภิกษุทั้งหลายเหมือนที่ภิกษุทั้งหลายศึกษากันฉะนั้นพระนางทูลถามว่าพระพุทธเจ้าข่าพวกม่มฉันจะปฏิบัติในศึกขาบทของภิกษุณีทั้งหลาย ที่เป็นอาสาธารณบัญญัติกับภิกษุทั้งหลายอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโคตมีพวกเธอจงศึกษาศิกขาบทของภิกษุณีทั้งหลายที่เป็นอาสาธารณบัญญัติกับภิกษุทั้งหลายตามที่เราบัญญัติไว้ ลักษณะตัดสินพระธรรมวินัยแปประการครั้งนั้นพระนางมหาประชาบดีโคตมีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคหน้าที่ประทับครั้นแล้วถวายอภิวาสได้เย็นอยู่หน้าที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข่าขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมโดยย่อที่เมื่อมอมฉันฟังแล้วจะพึงหลีกเร้นอยู่ผู้เดียว ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายใจอยู่เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโคตมีท่านรู้ธรรมเหล่าใดว่า 1. ทําธรรมเหล่านี้เป็นไปเพื่อความกำหนดไม่เป็นไปเพื่อคลายความกำหนด 2. ทํธรรมเหล่านี้เป็นไปเพื่อความประกอบไว้ไม่เป็นไปเพื่อความพลาก 3. ทํธรรมเหล่านี้เป็นไปเพื่อการสะสมไม่เป็นไปเพื่อการไม่สะสม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 ทำเหล่านี้เป็นไปเพื่อความเป็นคนเลี้ยงยากไม่เป็นไปเพื่อความเป็นคนเลี้ยงง่ายโคตมีท่านพึงจำไว้โดยส่วนเดียวว่านั่นไม่ใช่ธรรมนั่นไม่ใช่วินัยนั่นไม่ใช่สัตธุศาสตร์โคตมีท่านรู้ธรรมเหล่าใดว่า 1. นึ่ทำเหล่านี้เป็นไปเพื่อความคลายกำนัดไม่เป็นไปเพื่อความกำนัด 2. องทำเหล่านี้เป็นไปเพื่อความพลาก ไม่เป็นไปเพื่อความประกอบไว้ 3. าทำเหล่านี้เป็นไปเพื่อการไม่สะสมไม่เป็นไปเพื่อความสะสม 4. ทำเหล่านี้เป็นไปเพื่อความมักน้อยไม่เป็นไปเพื่อความมักมากหาทำเหล่านี้เป็นไปเพื่อความสันโดษไม่เป็นไปเพื่อความไม่สันโดษ 6. ทำเหล่านี้เป็นไปเพื่อความสงัดไม่เป็นไปเพื่อความครุกคลีหมู่คณะ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 รูปไดยกขึ้นแสดงต้องอาบัตุกกฎภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุณีทั้งหลายยกปาติโมขึ้นแสดงแก่ภิกษุนีทั้งหลายด้วยกันภิกษุณีทั้งหลายไม่ทราบว่าจะยกปาติโมขึ้นแสดงอย่างไรภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายอธิบายให้ภิกษุณีทั้งหลายทราบว่า พึงยกปาติโมขึ้นแสดงอย่างนี้ทรงอนุ ญ, ญาตให้ภิกษุณีรับอาบัตของกันและกันสมัยนั้นภิกษุณีทั้งหลายไม่ทำคืนอาบัตภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุณีไม่ทาคืนอาบัตไม่ได้รูปใดเมื่อกระทำคืนต้องอาบัตทุกกฎ ภิกษุทั้งหลายไม่รู้ว่าพึงทําคืนอาบัติอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายจึงไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายบอกภิกษุณีทั้งหลายว่าพวกเธอพึงทําคืนอาบัติอย่างนี้สมัยนั้นภิกษุทั้งหงงลายได้ปรึกษากันดังนี้ว่าใครหนอพึงรับอาบัติของภิกษุณีทั้งหลาย จึงนำเรื่องนี้กราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้พิษุทั้งหลายรับอาบัตของภิกษุณีทั้งหลายสมัยนั้นภิกษุณีทั้งหลายพบภิกษุที่ถนนบ้างตรอกบ้างทางสามแพร่งบ้างได้วางบาทไว้บนพื้นหอมอุตราสงเฉวงบาข้างหนึ่งนั่งกระโยงประนมมือทําคืนอาบัต คนทั้งหลายตำหนิประนามโพรทนาว่าภิกษุณีเหล่านี้เป็นพัญญาของภิกษุเหล่านี้ภิกษุณีเหล่านี้เป็นชู้ของภิกษุเหล่านี้ภิกษุและภิกษุณีร่วงเกินกันตอนกลางคืนเวลานี้กำลังขอขมาภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายไม่พึงรับอาบัติของภิกษุนี้ทั้งหลายรูปใดรับต้องอาบัติทุกกฎภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุนี้ทั้งหลายรับอาบัติของภิกษุนีทั้งหลายภิกษุนี้ทั้งหลายไม่รู้ว่าจะพึงรับอาบัติอย่างนี้จึงไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายบอกภิกษุนี้ทั้งหลายว่า พวกเธอเพิ่งรับอาบัติอย่างนี้ทรงอนุ ญ, ญาตให้ทำกรรมเป็นต้นสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายไม่ทำกรรมแก่ภิกษุณีทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ทำกรรมแก่ภิกษุณีทั้งหลายสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษากันดังนี้ว่า ใครหนอพึงทํากรรมแก่ภิกษุณีทั้งหลายจึงไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายทํากรรมแก่ภิกษุณีทั้งหลายสมัยนั้นภิกษุณีทั้งหลายที่ถูกทํากรรมแล้วพกภิกษุที่ถนนบ้างตรอกบ้างทางสามแพร่งบ้างได้วางบาทไว้บนพื้นห่มอุตราสงเฉวงบาข้างหนึ่ง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 เือให้ภิกษุนีทั้งหลายลงโทษภิกษุนีทั้งหลายกันเองภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายมอบการปรงอาบัตของภิกษุณีทั้งหลายให้แก่ภิกษุณีทั้งหลายเพื่อให้ภิกษุณีทั้งหลายรับอาบัตของภิกษุนีทั้งหลายด้วยกันสมัยนั้นภิกษุณีอันเทวาสเนียของภิกษุณีอุบลวันนาติดตามพระผู้มีพระภาคเรมพระวินัยอยู่เจปีนางกลับมีสติฟันฟ่นเฟือน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 ทุติยภานวาระครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกรุงเวสาลีตามพระอธิยศัยแล้วเสด็จจ่าเรืกไปทางกรุงสาวัตถีเสด็จจ่าเรืกไปโดยลําดับจนถึงกรุงสาวัตถีทราบว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบิณกะฆะดีในกรุงสาวัตถีนั้นสมัยนั้น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 เราอนุญาตให้ลงนธนกรรมพิกษุผู้ประพฤติเช่นนั้นสมัยนั้นภิกษุเหล่านั้นได้ปรึกษากันดังนี้ว่าพวกเราจะพึงลงทันกรรมอย่างไรภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุนีสง์พึงประกาศให้ทราบว่าภิกษุนั้นไม่ควรไหว ภิกษุแสดงอวัยวะอวดภิกษุณีสมัยนั้นผู้ภิกษุชาวพัคคีเปิดกายแสดงแก่ภิกษุณีทั้งหลายเปิดขาอ่อนแสดงแก่ภิกษุณีทั้งหลายเปิดแสดงแก่ภิกษุณีทั้งหลายเปิดเกี้ยวภิกษุณีทั้งหลายชักชวนบุรุษให้มาคบหารักกับภิกษุณีทั้งหลายด้วยคิดว่าภิกษุณีทั้งหลายจะรักพวกเราบ้างภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี chodzi, ้เปิดกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ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 ครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษากันดังนี้ว่าพวกเราพึงลงทันทกรรมอย่างไรภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุณีสงพึงประกาศให้ทราบว่าภิกษุนั้นไม่ควรไหวต่อมาผู้ภิกษุณีฉะพักคีใช้น้าโคลนรดภิกษุทั้งหลายด้วยคิดว่า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 ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้งดการให้โอวาดภ <Par az ion> ิกษุณีแสดงอวัยวะอวดภิกษุสมัยนั้นพวกภิกษุณีฉาวคีเปิด ก, กายแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายเปิดหันแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายเปิดขาอ่อนแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายเปิดแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายาาากกพู้เยี่ยวภิกษุทั้งหลายชักชวนสตรีให้มาคบหารักกับภิกษุทั้งหลายด้วยคิดว่า ภิกษุทั้งหลายจะรักพวกเราบ้างภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาคารับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้ไม่เพึงเปิดกายแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายไม่เพึงเปิดฐันแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายไม่เพึงเปิด้าอ่อนแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายไม่พึงเปิดแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายไม่พึงพูดเย้ยวภิกษุทั้งหลาย ไม่พึงชักชวนสตรีให้มาควบหารักกับภิกษุทั้งหลายรูปใดชักชวนต้องอาบัตุ ก, กฎภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตในลงธนกกรรมกับภิกษุณีผู้ประพฤติชเช่นนั้นครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษากันดังนี้ว่าพวกเราพึงลงทันกกรรมอย่างไรภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า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 เราทำอุโบสถร่วมกับภิกษุณีที่ถูกงดโอวาทแล้วควรหรือไม่หนอภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุณีทั้งหลายไม่พึงทำอุโบสถร่วมกับภิกษุณีที่ถูกงดโอวาทจนกว่าอธิกรนั้นจะระ ง, งับไป